วิธีบ้านของเคยของเราทำทุกวันหรือหมดเนะหรือไม่ได้ทำเนอะถ้าไม่ทำไม่สวดแปลว่าก็แปลว่ามันไม่เป็นวัดไม่ติดต่อกัน ขาดข้อวัดคําที่ว่าข้อวัดก็คือข้อบุญน่ะถ้าวันไหนไม่ได้ทําไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้ไมนก็ขาดมันก็เหมือนกับพวกเรารับประทานอาหารวันไหนที่ไม่ได้รับประทานอาหารจะเป็นยังไงมันสบายไหมไม่มีแรงไหม มันมีความสุขไหมเนี่ยมันก็เหมือนกันน่ะการไหว้พระสวดมนต์อันนี้มันเป็นอาหารทางจิตใจส่วนอาหารของร่างกายคื อ, อ, าาอาการบริโภคอาหารทั้งหลายที่ท่านให้ชื่อให้ลามที่โพลสวดปัจจัยเครื่องอาศัยของร่างกาย ปัจจัยทั้งสี่ที่ร่างกายของพวกเราอยู่ได้ในปัจจุบันทุกขนาดเพราะท่านจะให้สวดเพื่อให้จิตใจมันลูกมันเห็นความจริงที่ร่างกายมันอยู่ได้เพราะปัจจัยเพราะอาหารผ้าถ้าเป็นมนุษย์เราเป็นบุคคลผ้าก็เป็นปัจจัย เป็นเครื่องอาศัยของร่างกายเพื่ออยู่รอดวันๆอาหารการบริโภคอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัยยาวะบัดโรค ก, ก็เป็นปัจจัยให้ร่างกายตั้งอยู่ได้สุขขณะสันตติคือความสือต่อ น, นี่อาหาร แต่ละอย่างแต่ละประเภทชัท่วโมง่็ข้าวแต่ล ะ, มะเมล็ดแล้วก็ผักแต่ละเส้นผ ล, ลไม้แต่ละลูกอืทุกอย่างอ่ะแต่ละสิน้นแต่ละสิน้นมันจะพร้อมทั้งสี่ธาตุมืทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมกันอยู่เสร็จอยู่ในตัว เมื่อพวกเรานี่นนบริโภคเข้าไปสู่ร่างกายดินก็จะปะยาดินน้ำปยาน้ำไฟปยาไฟลมปยาลมเพื่ออยู่รอดวันวันสุดท้ายมันก็จะแตกจะดับทำไมไม่ต้องแตกจ้องดับ เพราะมันมีอายุหรือว่ามันเป็นธรรมชาติของแตกของดับการแตกกัรดับนี่แหละที่นี่ที่จิตใจได้ประสบผลที่เมื่อเกิดขึ้นจากร่างกายที่มันไม่เจรังยั่งยืนมันแปรปวนเปลีป่ยนแปลงก่อนจะ แ, แตกระดับ อาวัยวทุกส่วนมันมันไม่ปกติแล้วมันแปรปวนมันก็เลยทําให้เกิดเวทนาความสวยของกิตของใจเรียกว่าเวทนาคือความสวยของใจอมีสุขบ้างทุกบ้างสารพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นจาการ่างกายเนี่ยเพราะฉนั้นที่ท่านสวดเพื่อจะสวด น้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจเราให้ไม่เห็นความจริงว่าร่างกายกับจิตใจอันนี้มันไม่ใช่อันเดียวกันที่พระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราสุท้ายประทางจริงๆนะ่ะพระพุทธเจ้ามาสอนอยากให้พวกเรามาปฏิบัติรักษาปฏิบัติเพื่อจะให้จิตใจของพวกเรานี่ หยุดในการเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายมันมีทุกขที่ทุกที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมีร่างกายเพราะฉะนั้นละถ้าร่างกายการไม่มีเบญสนาสุขทุกข์มันก็ไม่มีกายร่างกายไม่มีตัวตัวไม่มีตัวสัญญาความจำแนกหมายรู้ก็ไม่มี สังขารจิตใจและสังขารร่างกายสังขารที่จใจคว้มคิดคุ้มนึกดีใจเสียใจรักสั่งโก๋หลงสารพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่จิตใจมันพรุงมันแต่งมันคิดมันนึกทั้งดีทั้งเส่วสลับกันอยู่ถ้าร่างกายไม่มีตัวสังขารตัวนี้ก็ไม่มีเหมือนกันที่นี่ก็วิญญาณ ความรับทราบความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจถ้าไม่มีร่างกายอาอาณาจตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีเหมือนกันมันก็จะสงบดับไปด้วยกันนี่ถ้าผู้ใดรู้ได้เห็นได้สลัดตัดทิ้งได้มันกระจุแล้ว มันจะเหลือจนแกดวงศีลดวงธรรมศีลกับธรรมอันเดียวกันเนี่แหละท่านจะให้ปล่ยโยกแปร่งท่านจะ ก, ก่อนจะปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะตามพระตนเขาตนไม่รู้ไม่เห็นต้องให้ต้องให้รักษาศีล น, นี้ก่อนรักษาศีลก็รัคือรักษาจิตใจนี่แหละให้มันเป็นปกติอืม เรารักษากายเพราะว่าจิตใจกับร่างกายไม่อยู่ด้วยกันรักษากายให้เป็นปกติไม่ให้มีโทษรักษาวาจาคำพูดไม่ให้มันมีโทษรักษาจิตใจไม่ให้มันเกิดโทษไม่ให้มีโทษปกติเมื่อกายกับปกติวาจากับปกติ ใจใจกปกติถ้าพวกเราหยุดเนี่ยทำกรรมชั่วได้ก็แปลว่าหยุดทำกรรมสร้างบาปสร้างกรรมเพระเาะฉะนั้นท่านจะว่าตัดกรรมตัดเบอนคำที่ว่าตัดจะมาถึงว่าหยุดในการทำถ้าไม่ทำเป็นอะไรทีนี้ มันก็ไปโทษเป็นบาปเป็นกรรมกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วทำลงไปแล้วมันไม่หายไปไหนมันก็ฝังอยู่ในดวกขีดดวงใจของวูรอนแล้วมันก็ให้ผลไปเรื่อยๆทั้งกรรมดีและกรรมชั่วที่นี่กรรมดีและกรรมชั่วนี่แต่และอย่างน่มันแต่และอย่างละอย่างมันจะให้ผลไม่จบทั้งสองอย่างนเลย สลับกันให้ผลไปเรื่อยๆถ้าทําไปเรื่อยๆจะแปลว่าต่อไปเรื่อยๆทั้งกำบีและกำชั่วสลับกันไปเมื่อไปสลับกันไปทั้งดีทั้งชั่วนีละมันก็ให้ให้ผลทั้งสองอย่างที่นี่กำบีเมื่อกำบีให้ผลที่พวกเราในเมืเกิดเป็นมนุษย์มีร่างกายอันบริสุทธิ์อันบริบูรณ์ครบถ้วน ไม่มีคนวิการแต่อย่างใดอย่างหนึ่งอปกติอวัยวะทุกส่วนสมบูรณ์แบบทั้งจิตใจก็สมบูรณ์แบ บ, บ, บแบบเต็มร้อยทั้งร่างกายและจิตใจสมบูรณ์นิกาด้วยบุญบรารมีที่พวกเราเลยกระทามาเพนมาสร้างสมบูรณ์มาตั้งแต่อดีตศาสตร์พราะว่าศาสตร์พบของพวกเราที่เกิดมาผ่านมาเป็นอดีตมันมากแล้วเป็นหมืนม่นๆเป็ น, นแสนๆเป็นล้านๆพบศาสร์ ท, ที่เกิดแต่เราจำไม่ได้เฉย ที่ผู้คนที่มาเกิดขึ้นอยู่ในโลกอันนี้ทั้งไกล้ทั้งไกลนะเกิดเพราะบุญทั้งนั้นนะบุญเกิดขึ้นจากที่ไหนบ้างเกิดขึ้นในการให้ทานหนึ่งการรักษาศีลหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนานี่หนึ่งี่บุญที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะว่า เมื่อเราพวกเราได้ร่างกายอันบริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนี่อันดับต่อไปอนาคตจังจะมีอยู่คำที่ว่าอนาคตคือข้างหน้าคืออะไรคือพวกเรายังเจได้เกิดดีกอยู่เพราะนั่นการเกิดดีท่านต้องให้สร้างคุณงามคบดีเสริมมาไว้ถ้าไม่สร้างไม่ต่อไว้มันหมดเป็นเหมือนกับเรา หาซับหาสมบัติมาไว้ดีละมิเตใส่ใส่ไปใส่ไปใส่ไ ป, ไปถ้าถ้าไม่หามาเพิ่มมันก็หมดไปเหมือนกันอย่างเดียวกันซับภายนอกกับซับภายในเหมือนกันแล้วกนอกนัน่นที่ที่พระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนจริงๆน่ท่านอยากให้พวกเราเนี่ยมาตั้งตั้งใจปฏิบัติอยากให้มันจบให้มันหยุดในการเกิด ถ้าไม่เกิดพรก็ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายพ ร, าะจะจะาพระจะให้มาภาวนาที่เมื่อมาปฏิบัติมาทำจิตใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วคำที่ว่าจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเคื่อจิตใจไม่ฟุง้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านไม่ไม่คิดในที่นี่ท่าน อ, อยู่ท่านาท่านาท่านกำหนดดูจิตใจตนเอง ให้รู้เนี่ยให้มีสติความระลึกรู้แล้วก็สัมปัสยะความรู้ตัวฝึกมาให้มันหลงมันลืมให้ให้ตัวมาสร้างตัวสตินี่ให้มันเต็มไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมแล้วนี้มันลืมลืมตัวไม่ทราวบว่าจิตใจอยู่ที่ไหนแล้วจิตใจไม่อยู่กับเมื่อกับตัว นั่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองนี่นั่งไม่ทราบว่าจิตใจอยู่ที่ไหนนี่อย่างนี้แหะนี่นท่านจังให้อยากจะให้ที่พวกเราเนี่ยปฏิบัติมา ก, ก่อนแหะคือจิตใจเคยตั้งมั่นจิตใจเคยสงบเข้าไปเป็นสมาธิที่ทําคําที่ว่าจิตใจสงบเข้าเป็นสมาธิเลยหมายความว่าจิตใจ อ, อกิเลตมันสงบ มันสงบเข้าไปมันมันหยุดการปุงคิดปุงแต่งปรุงสางการสงบเข้าไปจิตหยุดนิ่งเข้าไปเข้าไปเห็นตนของตนนั่นแหละท่านท่านท่านท่านเสียกว่าท่านให้เี้ให้นามว่าจิตใจสงบมันสงบจากอารมณ์แล้วก็กิตใจสงบเข้าไปเห็นตนของตนเมือ่อจิตใจเข้าไปเห็นตนของตนจริงๆที่ท่านให้เสี้ให้นามว่าอัปปนาสมาธิ ถ้าลึกเข้าไปถึงจุดนี้จริงๆหนึ่งท่านในซื่อให้นามาผวังของจิตหรือว่าภพภูมิของจิตจริงๆเป็นอย่างนี้เท่านั้นแะไม่ใช่มันยังละละได้เลยที่นี่ส่วนที่มันจะละได้มันต้องมามาดูมาพิจนารณามาแยกมาแยกก่อน ไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงก่อนว่าอะไรคือตนอะไรคือกายเพราะว่าก้อนสกุลและกายนี่มันเป็นที่อาศัยของจิตของใจเปรียบประมาณประมก็เหมือนกับสถานที่พวกเราบำเพ็ญสลาหลังนี้แหละร่างกายของเราเนี่ยกับจิตใจของเราเนี่ยนี่ พวกเรามาอาศัยมาทำประโยชน์อยู่ในนี้อยู่ในละ อ, อยู่ในสลาดอย่างนี้อย่างเดียวกันสลบแล้วนุ๊ปูว่าหมดทั้งโลกกันนี่ละทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งสัตว์ทั้งบุคคลต้นไม่ผู้เขาเทาวันที่มองเห็นด้วยตาเนือ้อเราธรรมดาธรรมดาอยู่ในโลกกันนุ๊ปูว่ามันมีของสี่อย่างนึงเนี่ยโลกกันนี้มีมิถ้าทั้งสี่ท่านี้ มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีเท่านีแล้วที่นี่ที่เรามองเห็นด้วยตาเราธรรมดามีแต่น้ำกับดินสองอย่างส่วนไฟอันนี้มันลัทธิมีขขงมันต่างหากหรือวัตถุขขงมันต่างหากไฟจริงๆคือคมร้อนไม่มีตัวมีตัวเป็นนามธรรม ธาตุลมก็เป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนเพราะฉะนั้นธาตุทั้งสี่มารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่เรียกว่าธาตุท่านต้งให้ให้ดูให้กําหนดรูให้แยกธาตุทั้งสีออกจากกันให้ให้ชิดใจมันเข้าใจชัดเจนว่าอันนี้คือดินอันนี้คือน้ําอันนี้คือไฟอันนี้คือลม ที่นี่เมื่อธาตุทั้งสีมารวมกันเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนี่แหละที่นี่อาการที่มาเกิดขึ้นจากรูปคือเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งสุขทั้งทุกข์สารพัดด่างที่มาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากรูป ท่านให้ชื่อให้นามว่าเวทนาคือความเสบยของกิตของใจในี่เรียกเป็เวทนาท่านให้ชื่อให้นา ม, ม่าขันขันที่หนึ่งคือรูปขันที่สองคือเวทนาความสุขความทุกข์นี่ที่ น, นี่ขันที่สามคือสัญญามันก็อยู่ในรูปนีเ่เหมือนเดิมอยู่ในรูปเหมือนเดิม ความจําได้หม้ยลูกจําดีจําชั่วดีกะจําชั่วกะจําไม่ดีไม่ชั่วกะจำอัน ส, สิ่งที่อพอใจกะจำํำ ส, สิ่งไม่พอใจก็จํานี่ไม่จํากัดนั่นหมายจิตใจนี่ความจําได้หม้ยลูกเกิดเกิดระดับเขาไม่ไม่นอนนี่เรียกว่าเป็นขันที่สามขั้นที่สี่คือสังขาร น, นี่สังขาร ที่มาเกิดขึ้นทางจิตใจนี่นะ ค, ความปรุงความแต่งความคิดความนกกในจิตใจเสียใจรักสร้างโก้หลงแถวนี่อาการอาการของเกียรตที่เกิดเดแบบของมันนี่ท่านท่านท่านท่านท่สื่อแนะนมว่าสังขารสังขารตัวนี้มันก็นรวมอยู่อยู่ในรูปนี่แอยู่อยู่ในรูปเพราะว่าในรูปมันมันมีจิตใจคลองอยู่ไม่มีวิญญาณคลองอยู่นอยู่ในนี่สังขาร ทีนี่ก็วิญญาณที่นี่ความรับทราบความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายและทางคิดใจท่านจะว่าตาตากัเป็นธาตุเนี่ยมันรวมกันอยู่ในธาตุทั้งสี่นี่ละตาก็เป็นธาตุหรือมีลูกลูกกับตาลูกเดียวนี่มันก็พร้อมทั้งสีธาตุเหมือ น, ก, น, น, น, มม น, ก, นกันมีดีมีน้ามีไฟมีลมเหมือนกันหูก็เหมือนกัน ก็ยู่รวมยืนในธาตุนี่จะมูกก็เหมือนกันรวมอยู่ในธาตุทั้งสีน่นี่ลิ่นก็นกกนเหมือนกันกายก็เหมือนกันที่เรียกวโนคือจิตใจอถ้าจิตใจมันยังคลองอยู่ในก้อนธาตุ น, นี้เรียกว่ามาโนธาตุมาโมคือจิตใจดวงจิตใจก็เป็นธาตุเหมือนกันเรียกว่ามาโนธาตุจิตใจเป็นธาตุ เมื่อจิตใจพิทักษ์จิตใจที่เข้าไปยึดไปถือไปครองนี่อุปทานความยึดนมันก็เลยเลยกลายกลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมอุปทานตัวนี้มันต้องยึดยึดมั่นถือมั่นมาช้านานแล้วเป็นมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วที่มันยึดมั่นถือมั่นมาถือเอาธาตุทั้งสีนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นสารเป็นคนมานตั้ง ตั้งต้น ต, ตั้งแต่เป็นเป็นสัตว์ตัวเล็กถุมตั้งแตม่มาเป็นเป็นหมัดเป็นมดดํำมดแดงเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จ เ, เริ่เติบโตมาเคลื่อนมาเลื่อนมาจนจเริ่เติบโตขึ้นมามาถึงขั้นมนุษย์คุณมาถึงขั้นมนุษย์มันก็เป็นทั้งมนุษย์สัน้นสูงสั้นต่าเหมือนกันแหละที่นี่ สูงต่ำขัวกันที่นี่แต่ว่าส่วนจิตใจเท่ากันเหมือนกันสมบัติที่อาศัยอยู่กันเท่ากันมีดินน้ําไฟลมเท่ากันที่นี่สูงต่ำขัวกันคื อ, อคือดวงจิต ด, ดวงใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาสอนที่นี่มามาสอนจิตใจนี่สร้างตัวสติตัวปัญญานี่ให้มันเจริญเติบโตขึ้นสร้างจิตใจให้มันเต็ม ให้ตัวให้ให้ตัวดวงลูกตัวผู้ลูกดิให้มาเต็มเมื่อจิตใจเต็มแล้วที่นี่มันจะหายจากความอยากจะอยากเป็นอะไรที่นี่จะอยากได้อะไรจะอยากมีอะไรมีสรุปแล้วของดีที่สุดก็คือจิตใจของใครของเรานี่นี่นี่นี่นของดีแท้ๆของจริงแท้ๆก็คือจิตใจของใครของเรา ถ้ามาสำนักมามาปฏิบัติถอนจิตถอนใจออกจากกองทุกข์ออกจากเหตุให้ทุกเกิดถอนองมาให้จิตใจมันรู้มันเห็นถอนออกมาทำไม่อยู่คนละส่วนอยู่คนละอย่างกายคือกายจิตคือจิตจนกลัวว่าความเห็นของจิตของใจนว่า เย็ใจเปียบประมาประไเหมือนกับน้ำเย็นในขวดร่างกายเปรียบประมาประไมเหมือนกับขวดน้ำอยู่ด้วยกันแต่ไม่เข้ากันถึงเกาเข้ามันก็ไม่เข้าถ้ามันลูปถ้ามันเต็มเลยทำไมมันจะไม่เข้าก็เพราะมันเต็มเพราะมันลูปที่นี่ดวงกินดวงใจของพวกเราหนึ่งทั้งหมดนี่แหละทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนี่มันเป็นนามธรรมเหมือนกันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตนไม่มีตัว ไม่มีการกินการถ่ายส่วนการกินอยู่หลับนอนอันนี้ไม่เป็นอาหารของกายตัางหาเป็นธาตุต่างหากปยาต่างหาตรงนี้ล่ะที่พระพุทธเจ้ามาสอนอยากให้ผู้รอดมาดูมาปฏิบัติเมื่อจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ท่านให้กำหนดดูจิตมันจิตมัน ปรุงอัะไรมันจิดอะไรมันปรุงอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมาท่านให้การหมดดูให้รู้นี่เรียกวิปัสสนาหรือหรือที่ท่านเรียงไว้ในในพระสูตรวิปัสสนาภูมิเทวภูมิวิปัสสนาปัญจคันธาใหญ่ปัญจคันธาก็หมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขามืยานเนี่ยปัญจคันธาคือรูปเวทนาคันธเวทนาคันธปัญจคันธานะ พันทั้งห้ารูปขันโธคือรูปร่างกายของเรานี่เวทนาขันโธกเวทนาสัญญัตขันโธสังข์สังขารวิญญาณขันสังวิญญาณขันโธวิญญาณกับป็นญันดวาดาซายาตนานีดวาดาซาธาตปดาวาดาส า, านเป็นธาต ท, ที่แปด อัทธาดาสาโอัทธาดอัทธาาสอัทาดาสาธาตุโยธาสปดอินทรีย์ยสบสองหนึ่งอัทาาสาธาตุโยจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาธาตุน่จักขุคือตาเป็นธาตุรูปธาตุรูปทั้งรูปส <tables, S 3> ัตว <lived right. S 1> ์รูปคนรูปต uh, ้นไม้ภูเขาทบกคนหนึ่งมันมันจะทบกัน หนึ่งนี่มันมันเป็นธาตุท่านพิจารณาเป็นธาตุจักคูคือตาตาก็เป็นธาตุธาตุก็เป็นประธาตุจักคูธาตุรูปะธาตุรูปะประว่ารูปจักคูธาตุรูปะธาตุจักคูวิญญาณธาตุวิญญาณความรับทราบว่าเป็นธาตุนี่ก็เป็นธาตุเหมือนกันวิญญาณก็คือความรับคือคือจิตใจรับทราบเรียกว่าวิญญาณ ผ ม, ผมรับทราบทางการบิณฑลธาตุมนนโซตาธาตุโซต่าก็คือหูสัทธะคือเสียงเนี่ยโซต่าธาตุสัทธะธาตุโซต่าบญณฑลธาตุนี่รวมก็ได้ไล่ไปอันนี้ค่านาธาตุคือจมกูกเ่ย อ, อ, อ, อันนี้ก่อนนาธาตุสัทธาธาตูสัทธะคืออคือกินเนี่ย นี่ค่ะคานาธาตุกันธาธ า, าตุคานาพิณาธาตุอื่กลินหอมกลิ่นเหม็นกับปิธาต์เหมือนกันอืกินอะไรที่ไม่สูดตรมเข้ามารู้สึกสารพัดอย่างเกิดมากับปิธาต์เหมือนกันนั่นใจว่าที่นี่ก็ชิวหาธาตุชิวหาคือเล่นอชิวหาธาตุ รสที as, alon, ından, ท so ่สัมผัสทั้งขมทั้งสมทั้งหวานอะไรสรพัดอย่างสิทั้งเผ็ดทั้งเค็มอยู่อยู่ในลิ่นกับปธาเหมือนกันนี่ังไงวะชิวหาธาตุเส้นข้าววิญญาณธาตุวิญญาณผู้รับทราบกับขึ้นคิดใจนี่แห่ะเดวิญญาณวิญญาณจิตใจกับิธาเหมือนกันใช่ไวิญญาณธาตุบันกายยาธาตุร่างกายกายาธาตุโพธิภะธาตุโพธภการโพธภการกระทบ เย็นด like, so ้อนอ่อนแข็ง like, น so ี Hence, like like, right ่นี่เรียกว่ากายาธาตุผาธาตุกายาวินจาธาตุมานกสุดท้ายกับมโนธาตุจิตใจอ่ะมโนธาตุธรรมธาตุธรรมลมเรียกว่าธรรมลมเกิดยินดียินร้ายดีใจเสียใจรักสร้างโกโลจะพวกที่ที่มันเกิดกดดำดำก็เป็นธาตุเหมือนกันยังมัมโนธาตุธรรมธาตุมโนวินิาธาตุมานี่ก็ จักอเนว์บาวิสาตินตดิยานนี Brother ่อินช so ีีบอดรืองวันอินช so ี so <ro aning> ีจ <rez io> ักคุนดิยังโซตินดิยังคานินดยังเดียวหินดิยังกาินดยังมะนินดยังนี่อันนี้ยังแปลว่าคล่อนตาขับไปคล่องหูับไปคองจมูกับไปคอนลิ้นขับไปคล่อนกายขับไคอนเจขั็ไปครอง อิทธิ่นาดียังบุริทิ่มนดียังชีวิตทินนดียังสูขินนาดียังดุขินนียังโซมนาทิ่มนดียังโดมนาทิ่นาดงเปรินดียังสัตถินนาดียังวลีนนาดียังสัตินนดียังสมาธินนาดียังปัญญินนดียังอนัญญตัญญาามีทินนาดียังกัญญินนาดียังนาจารินนดียังจตาริอริยสัจจานิดุขังอริยสัจจังดุขสมุทโยอริยสัจจังดุขาิโรโทอริยสัจจัง ลกานีโรทกามิหนีปฏิ ป, ปดาอริยสัจจังปุ่นลุ่มไปไปถึงอริยสัจจะธรรมศักดิที่พระพุทธเจ้าที่พระอริยเจ้าท่านรู้ท่านเห็นอริยธรรมของจริงอริยะก็บไปว่าสัจจกเป็นของจริงของจริงของพระอริยเจ้าของจริงของพระอริยเจ้ากับของจริงกับพกพวกเราของจริงเดียวกันคืออะไรก็คือทุกข์หนึ่ง เนี่ยของจริงสมุทัยเหตุทุกเกิดที่หนึ่งนี่โลดคือความดับพุกที่หนึงน่งมักมุทางมักเขาไปดับมุทางเขาไปดับพุกที่ท่านเลี้ยงมักไปที่ท่านแสดงทาให้พระปะจจักีธาห้าพังฟังนั่นน่สัมมาดิธิสัมมาสังกปุะสัมมาวาจาสัมมารกรรมตสัมมาอิสวสัมมาวิโมสัมมาสติสัมมาสมาตินี่มุทางที่สอบนี่ยว่ามัก หัวขางที่สอบเดีว่ามักขึ้นหัวขางหัวขางเขาไปดับทุกข์ดับทุกข์ดับตรงไหนเขามันดับตรงที่มันเกิดมันเกิดที่ไหนนี่ถ้าน้อมเข้ามาภายในเขาพวกเรามันก็เกิดที่กายของพวกเราเกิดที่จิตใจเขาพวกเราเนี่ยทุกข์มันเกิดเกิดที่นี่เพราะว่าก่รสกลอาการเนี่มันเป็นตัวเป็นตัวสมูทัยเป็นตัวเหตุทุกข์เกิดนั่น ว่าทุกนี่ของจริงคือทุกของจริงคือสังขทานเห็นได้ทุกเกิดของจริงคือนีโรดคือความรบทุก์นีโรดกับหนีโรดซับเดียวกันถ้าผูดด้ใดเห็นทุกข์มากๆเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หลักล้านทุกข์ก็เห็นเป็นล้านล้าน จนเต็มตน้นจนเต็มดวงจิต ด, ดวงใจทุกกระเต็มที่เห็นเหตุตัวเหตุตัวปัจจัยตั ว, ตวสมุทัยเหตุทุกเกิดก็เต็มเหมือนกันหลักล้านเหมือนกันที่นี่เมื่อทุกกับเหตุสงบลงไปดับลงไปถ้ามาถึงที่สุดเมื่อเต็มแล้วเนี่ยก็หลักล้านเหมือนกันเมื่อมาเต็มทั้งหมดแล้วนั่นละ่ะ ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเห็นในทุกขเกดจิตบรรล้เต็มแล้วอมันันเต็มทุกอย่างสุดท้ายมันก็ละหายยัดความสูงกันแท้จริงก็คือจิตใจของพวกงโลนที่ว่านีโรดหรือว่านีโรดคือความดับทุกข์ที่นี่เมื่อมันดับสั้ระยะสั้ครั่งสั้นเข่ชัว่วช่างพับหูช่วงงูระบริน ที่ท่านที่ทานนิซงแหะนำว่าจิตสงบเข้าไปเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจระสมาธินี่หรือจะว่าวิมุตหรือว่าขำขำปณาวิมุตหรือจะทังขวิมุตจะทังขวิมุตประทังประทะไว้ไม่ไม่กระเบิดเสบสารนี่มา ช่วยระยะที่นี่คำปานามิมดุดมันสงฆ์ก็ไปปรากฏว่ามันดับไปหมดจริงๆริงไม่มีอะไรเหลือจริงๆร่างกายกับปรากฏว่าร่างกายก็ไม่มีเนยิดกเข้าใจว่ามันดับหมดจริงๆแต่จริงๆแล้วมันยังไม่หมดถ้ามันล้วหมดมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกท่านยังเทียบเท่ากับเหมือนกับเอา ก้อนศิก้อนหินก้อนชิลาเนี่ทับย่าไว้เมื่อเรามองดูมันกับมือก็เข้าใจว่าไม่ไม่มีไม่มียาก็เข้าใจว่าย้ามันตายเมื่อหินออกจากที่นั่นย่ามันก็นงอกขึ้นมาอีกนี่นี่ชวงนี้แวบอกมันยังไม่หมดนี่ที่มันกับเพียงเห็นแค่ว่าร่างกายกับจิตใจนี่แยกกันโดยเด็ดขาดเลยเห็นเห็นจริงตามความเป็นจริงแต่มันลักยักถอนยังไม่ได้ ท่านให้เสื่อให้นามว่าถ้าถ้าจิตใจเป็นพระกระทัดให้เสื่อให้นามว่าเป็นพระโสดาอเสื่อมั่นในพระพุทธศาสนาไม่เป็นอื่นแล้วที่นี่สิลที่พวกเรารักษาที่นี่มั น, นจะเขี่ย ม, มวดกวดขันมันจะเป็นเองของมันจิตใจถ้ามันเป็นศินเป็นธรรมแล้วมันจะมีความละอายแกจิตแกใจเมื่อเป็นสินถ้าจิตใจเป็นสินะจิตใจก็จะไปทํา ถ้าเจเจะไปทำแล้วมันจะเกิดเมตตาสงสารพกคนอื่นสัตว์อื่นแม่สัตว์ตัวเล็กๆตั้งแต่หมัดมขึ้นไปมันจะไม่กล้าไปทำลายชีวิตเขาให้ตกล่วงไปไม่เบียนเป็นใครมีใช่เมตตาอย่างเดียวมีทรัพย์สมบัติมีมากมีน้อยเสียเจเจันทร์สงก้อสองหาซึ่งกันและกันเลี้ยงดูผู้เสือกันเมตตาซึ่งกันและกันนี่ การเสดียแจเจจันทร์ัพย์สมบัติให้บุคคลอด่นสร่อนกับไม้ข่มบ้าให้ความสุขแก่บุคคลคนอื่นเให้ทานแก่บุคคลบุคคลอื่นสื่อื่นเพื่อเอาบุญเอาบุญเอากุศนจากบุคคลอื่นสื่อื่นนั่นมาเพิ่มเติมกับของเราจนกลัวว่าบุญกุศลนั่นนี่มันให้มันจะเต็มจิตใจจะเต็มเต็มทุกอย่างเหมือนกับพระพระพุทธเจ้าและพระอริเจ้าเพระนาะฉะนั้นฉันจะว่า อริยะสัจจะธรรมทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธสามอย่างเป็นหัวทางเข้าไปนับคุกท่านให้เสื่อมมรรคอุปะอุปาอุปะไปว่าเข้าไปเข้าไปสงบเข้าไปที่ไหนกาหนดเข้าไ ป, เ ข, าไปเข้าไปหาดวงกินดวงใจเขาพลอยขึ้นตัวพูรูนแต่ในปัจจุบันนีมันลู่อยู่มันลูนลโล่โลก ลูกพอบริหารร่างกายเพื่ออยู่โลกวันวันสติปัญญาที่พวกเราไปศึกษามานปัญญาทางโลกท่านซี่อแนะนำว่าโลกิยะปัญญาไม่ใช่โล ก, กุตละปัญญาโล ก, กุตละปัญญาปัญญาที่ม่ลู้จริงเห็นจริงมันจะออกจากโลกนี่จะถามมาโลกอยู่ที่ไหนถ้าโลกในก็คือร่างกายเราและจิตใจของเรา นี่เรียกว่าโลกในโลกนอกก็แปลว่าบุคคลอื่นสัตว์อื่นต้นไม้ภูเขาเทววันที่มองเห็นด้วยตานีเรียกว่าโลกโลกแปลว่าหมูสัตว์ทั้งสัตว์ริรฉันทั้งสัตว์มนุษย์นี่ยรวมกันโลกแปลว่าหมูสัตว์พ้องอยู่เป็นนิดหิวอยู่เป็นนิดมีความอยากอยู่เป็นนิดมันไม่เต็มทำไมมันจะหิวทาไมจ่อ ง, งอยาก เพราะจิตใจไม่เต็มสงสัยเรื่องข่มสุขปราทนาข่มสุขต่หาเท่าไรก็ไม่เจอไปหาความสุขอยู่ภายนอกไปหาอยู่กับทรัพย์ไปหาอยู่กับสมบัติเนี่ยหรือไปหาอยู่กับออของภายนอกมักก็เลยไม่เจอเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเลยตำรวจเขามาหาภายในดวงจิตดวงใจความถูกกับแท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเราอยู่ตรงไหน อยู่ตรงที่มันลู่อยู่ที่ท่ามกลางหงอยู่ที่หัวใจของพวกเรานี่ให้กำหนดเข้าไปนี่ย้อนสอนเข้าไปที่นี่เมื่อกําหนดย้อนเข้าไปที่นี่หนทางเส้นนี่มันจะเป็นหัทางตันมันจะจบลงที่นี่หยุดจี่ลงที่นี่กําหนดเข้าไปทันจิตทันใจนี่ตรงนี้มันจะดับลงที่นี่นั่นคืเนี่ยถ้าท่งไปข้างนอกมันบานไปมันปรุงต่อไปด ไปเพราะฉานั้นท่านให้เมื่อจิตใจตั้งมัน่นจังหวัท่านเลี้ยงไว้นใน ห, หลักธรรมนั่ความรักษาจิตใจให้ตั้งมัน่นชื่อว่าสมาธิความรอบลูกในกองสังขารชื่อว่าปัญญาเนี่ยกอ ง, องสังขารกับกองสังขารกับสังขารร่างกายนี่แหละกองลูกกองเวทนากล่องสัญญากองสังขารกองมีญยัน ร, ว, ญญรวมกันอยู่ในขันเนี่ยขันห่านสรุปแล้ว ทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรทุกทิ่งทุกอย่างมันจะมารวมอยู่ในขันนี้ทั้งหมดสุขก็สุขก็อยู่ที่ขันนี่ทุกข์ก็อยู่ที่ขันนี่เย็นร้อนออแห็งสารพัดมารวมอยู่ที่ขันนี่ที่นี่ถ้าจิตใจของพวกเราแยกออกจากขันได้ ก, ก็ไปเอาบาจบทุกข์จะไม่มีอยู่ในจิตใจมันจะเบามันก็สบาย พรจิตใจไม่ไม่หลงเข้าประยึดตัวเหตุตัวปัจจัยนั่นตรงนี้นะแหละแล้วอย่าไปเข้าใจว่าทำคำของพระพุทธเจ้าจะมาสวมมาเรามาสมมาจิตใจเราไม่ใช่อย่างนั้นพวกเราเนี่ยจะรู้เองเห็นเองของใครของเราสุขเราก็จะรู้เองเห็นเองทุ ก, ก็จะรู้เองเห็นเองเนี่ยสารพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นระเบิมันเกิดขึ้นเพราะนั้นฉันจะให้ตั้งจิตไว้ใหาไม่รู้ ทุกเกิดขึ้นก็ให้รู้ให้ให้ให้ให้ให้จิตใจเป็นเป็นผู้รู้ทุกเกิดขึ้นก็จิใจให้เป็นผู้รู้เย็นเกิดขึ้นก็ให้จิตใจรู้รู้ไว้จริงทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นดับทั้งนั้นทุขเกิดขึ้นมันก็ไม่สุขตลอดไปทุกเกิดขึ้นทุกก็ไม่ไม่ทุกตลอดไป เย็นเกิดขึ้นเย็นก็ไม่เย็นตลอดไปร้อนเกิดขึ้นร้อนก็เป็นร้อนตลอดไปเนี่ยมันเกิดระดับอาการเกิดเกิดบูท่เนี่ยท่านให้กำหนดรูปเมื่อกำหนดไปก็เป็รูปไปรูปไปกำหนดไปเมื่อม่นานเข้านานเข้าเมื่อไม่มีพลังที่นีสุดท้ายมันก็จะแยกขาดตอนกันที่จริงเมื่อจิตใจกับร่างกายขาดตอนกันได้จึงเกีงนี่ละเมื่อร่างกายมันแก่จิตใจก็ไม่ได้แก่ไปด้วย ร่างกายม่นเก็บมันปวดจิตใจก็ไม่ได้เก็บไม่ได้ปวดไปด้วยร่างกายมันแตกจิตใจก็ไม่ได้แตกไปด้วยนถ้ามันมันเห็นจริงจริงๆตามความเป็นจริงจริ ง, รงตรงนี้แหละมันมันมันจะหยุดในการเกิดเวลาทาัดแตกขาดออกจากกันจริจริงจิตจะไม่หลงเพราะว่าทุกไม่มีอยู่ในจิตใจเวทนาไม่มีอยู่ในจิตใจเวทนานอยู่ในขันทั้งหมด ยืนอยู่ในขันยืนในก้อนเก้อนละไกเพราะฉะนั้นที่พวกเราสวดอยู่ท่ามวดเศร้านี่าโดยย่อขันทั้งห้าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นะั่นหี่บอกอยืนในขันทั้งหมันมีอะไรบ้างเนี่นเป็นตัวทุกข์เลยมีลูกมีเวทนามีสัญญามีเชิงขานมีวิญญาณวิญญาณกับความรับทราบนะ่ะรับทราบว่ามันสุขรับทราบว่ามันทุกข์ รับทราบว่ามันร้อนรับทราบว่ามันเย็น น, นั่นเพราะนั้นฉะนั้นฝึกตัวรู้เดียให้มันเด่นขึ้นอย่าใหมันหลงอย่ามันลืมนั่นให้ให้ให้ให้ใหใหตัวของตัวไปตัวโคงตนอยาอยาทําอย่าให้จิตใจเย เ, เ, เ, เข้าเเข้าไปยึดไปดถือร่างกายเมื่อเข้าไปยึดไปดถือร่างกายเนี่ยจิตใจก็จะไปเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็จะเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมขึ้นมาเมื่อก็จะไปทุก พราะว่าเพราะว่าเวทนาสุขและทุกข์มันเกิดขึ้ น, นจากขันเกิดขึ้นจากจากร่างกายเพราะฉะนั้นนถ้าใครปล่อยไร้ว่างไรมันกระจบแล้วสบายปวดก็เป็นเรื่องของร่ากายเป็นเรื่องของขันมันจะจิตใจจิตใจมีหน้าที่รู้อย่างเดียวคือตัวผู้รู้นี่หวงกินใจเขาผูรา้รองก็เป็นนำทำเหมือนกันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเก็บไม่มีปวดไม่มีใครได้ดปดรอนไม่มีอะไรเลยนั่น ถ้าใครปล่อยได้ปงได้จบแล้วนี่ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเพราะฉะนนั้ให้ทำํำหัวใจที่เมื่อเวลาป้องมาไหว้พระสวดมนต์เพื่อมาฝึ ก, กจิตใจเนี่ยให้เป็นสมาธิภายในตัวถ้าจิตใจไม่เป็นสมาธิเวลาสวดไปเสียงมันดังดเวลาสวดไปจิตบางครั้งบางทีมันเ บ, บีไปท่างอื่นมันมันปีุงไปแต่งกับอารมณ์อย่างอื่นหรือมีทะนั้นไปไ ป, ไปอ่าไปประทะ หรือไปประสบอารมณ์ที่เขาด่าเราหรือเขาทําอะไรไม่ดีกับเราไว้เวลาสวดมนต์ไปไมันยังนึกไปถึงนี่มทิ้เรื่องนั้นนั่นแปลว่าจิตไม่อยู่จิตไม่ไม่ไม่อยู่กับงานที่ตัวเองทําหรือไม่อยู่กับเนื่อกับตัวมันส่งไปไปปรุงไปแต่งอยู่ข้างนอกคิดจะไปแ้ก่ล้าเขาหรื อ, อ, อ, อ, อสมมติตัวอย่างที่เขาเวลาขับรถไปเขาขับรถมาปาดหน้าเราเนี่ย คิดว่าจะไปเก้ร้ยก่อนอย่างนี้ล่ะนั่นเนี่ยฝึกไปฝึกไปเมื่อมานานเข้าออนั่นละสุดท้ายก็จะตนของตันนี้ละ่ะจะเป็นที่พึ่งของตนพึ่งศีลพึ่งธรรมศีลก็คึอนจิใจธรรมก็คือนจิใจนี่จังว่าธรรม ท, ที่พรักสวด มาติคาบังสกุลเน่ะปุสราธรรมมะกุสลาธรร ม, มาอยิญคตาธรรมมาไปเข้าใจว่าไปไปสวดไปไปให้บุญคนตายไม่ใช่ฉแสดงให้คนเปลี่ยนนี่ฟังปุสลาธรร ม, มาก็คืออ้ากูกูนคือสติคือปัญญาคือบุญกูส น, นี่บุญคือความสุขกายสบายใจกูศนคือความสบางของจิตของใจคือสติคือปัญญาเรียว่ากุสราธรร ม, มา อกุศลธรรมมาไม่เป็นบุญเป็นบาปเป็นกลางๆเรียกว่า อ, อ, อากุศลธรรมมาอพยากตาธรรมมานี่ท่านเรียกว่า อ, อพยากตาธรรมอันนี้ท่านเรยกว่าท่านท่านท่านท่านไม่เป็นบุญไม่เป็บาท่านท่านให้เสิให้นามาเป็นตัวสังขารมันเกิดบรรดับของมันอพยากตาธรรมมา ทุขายะเบทนายะทั้งปัจจิตาธรรมานิมสุสุเกิดขึ้นมันก็จะสุขายะทุขายะกับทุกเกิดขึ้นเนี่ยสุขายะดุขายะดุกมาสุขายะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งไม่สุขไม่ทุขอาุกมาุขายะเบทนายะัปจจตาธรรมานส่วนกุศลานต่อไปีครับ วีปะกาธรรมาวีปะกาธรรมาธรรมานีี่ยวีปะกาธรรมาวิบากคือผลของกรรมวีบากความเสบยของจิตทั้งบุญทั้งบาสน่ะบุญ ว, วิบากบุญบวิบากบุญวิบากบากนี่นนเสบยทั้งสองอย่างนี้เนี่ยวีปะกาธรร ม, า ว, า, า, ม, า, ม า, าวีปากานะปากาธรรมาธรรมานเนบวีปะกานาวีปะกาธรรมาทั้งมา สเสบอไปไ ม, ไม่ไม่เป็นบุญไม่พไปบาปก็เสมอขึ้นมาสลับกันมาอนะนี่นี่นี่เทศให้พวกคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ฟังไม่ใช่ไปให้บุญคนตายไม่ใช่ไม่เข้าใจผิดเสียเองป้ายพูดสุดท้ายมันจะเหตุปฏิโยตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดนะัอะไรเหตุปฏิโยเหตุอารมณ์อารมณ์ปฏิโยอารมณ์ อารมณ์ดีอารมณ์ชวนี่นะอารมณ์มโนปัจโยอาธิปติปัจยนอาทิเบงตนปัติขปปัติบัตอาธิปติปติโยนี่ก็นีตุปัจโยอาธิปัติปัจโยอนันตปัจโยสมานัญจะปัจโยสหายยะปัจโยอัญญามัญญปัจโย อัน ย, ยามัญญะปัยโยนอาศัยสิ่งกันเลยกันอันยามัญญะอาศัยสิกันเลยกันทั้งบุญทั้งบาปที่สวนไปกนี่ต่อไปกับมนสักอาจาอานิจาจะสร้างคาราท่านท่านแปลออกมาว่าสังขานทั้งหลายมันไม่เที่ยงอุปดบายยมิโนนี่ก่อนเขาไปสงบเทม่ยงบ่นท่านแปลออกมา มันแสดงธําให้คนเป็นนี้ได้ฟังให้รู้เพราะฉะนั้นล่ะให้พวกเราหนึ่งตื่นจากลำเลยพราะ ก, กันทํานี่เวลาปฏิบัติอย่าไปกคำนวณเอาตั้งแต่เวลานั่งขัดสมาธิหรือเวลาเดินทุกคนเวลาไหนก็ได้ถ้าเรามีสตินัลึลกรู้ปฏิบัติไปรเรื่อยๆมันสุขก็ทำมันรู้มันทุกข์ก็ทำมันรูกก้ มันดีใจก็ให้ให้มันรู้มันเสียใจก็ให้มันรู้มันโกรธก็ให้มันรู้มันเกลียดก็ให้มันรู้นั่นมันรักก็ให้มันรู้มันสั่งก็ให้มันรู้เนี่ยตัวรักตัวสั่งไม่ใช่จิตเราตัวรู้ไม่ใช่ตัวสังขารตัางหาตัวเจตตัวเจตสิกตัาหาตัวกิเลสตัางหาแยกออกจากกายอ๋อแยกออกจากจิตเราที่ท่านให้เสื้อให้นามว่าตัวกระแสของจิต S <S หรือว่าตัวเจตสิกกรรมของจิตท่านให้ชื่อว่าตัวกิเลสเนี่ยยินดีกับเป็นตัวกิเลสทิ้ไล่กับเป็นตัวกิเลสดีใจกับตัวกิเลสรักกับเปตัวกิเลส <kap> <ua> สั้างกับเป็นตัวกิเลสปวดกับเปตัวกิเลสจิตขอแทบๆปกติดวูจิตแทบๆปกติไม่เอียงไม่ลบบําเบียงไม่ยินดีกับใครไม่ยินไร้กับใครไม่ดีใจกับใครไม่เสียใจกับใครปกติออแต่จิตใจของปู่เราเข้าไปไม่ถึง ทำไมมันจะเข้าไปถึงอะไรตัวกิเลสเนี่ยมันครอบงำมันปกปิดไว้ไม่ผักดันไว้ตัวอย่างเวลาเราจะปฏิบัติมันก็ไม่ให้ทำมันตัวกิเลสมันมาขวางไว้อะไรเนี่มาขวางหนักเหนื่อยเมื่อยล้าง่วงเงาวเฮานอนอืขี้เกียจฟุ้งซ่านลาคาันนี่พวกนี่อาการพวกมีแต่ตัวกิเลสเท่านั้นด้วยจิตของเก่าลึกๆเข้าไปตัวนู้่แท้ๆมันมีอาการพวกนี้ แต่จิตใจพวกเราเข้าไม่ถึงถ้าผู้ใด เ, เข้าไปถึงก็สบายไม่มีอะไรดวงจิตทั้งลึกๆเข้าไปเนี่ยมันจะว่างทุกอย่างแต่เมื่อจิตใจเข้าไปถึงความว่างท่านเขาไม่ไม่ไม่ให้ยึดความว่างตัวนี้ปล่อยให้หมดไม่เอาอะไรเลยให้แต่ให้มันเหลือแต่แกดวงลู่ธรรมชาตินิพพาธรรมศาติจังว่าต้นจังว่า นิพพานังนิพพานังปรมังสุญญังอะไรระมันอย่างมันจะมีส่วนที่มันถ้าไปถึงจุนีมันจะรู้ว่าใครของเราไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องอธิบายก็ได้เมือนกับเปรียบประมาณว่มเหมือนกับมะม่วงข้างในของมันแกนของมันมเมล็ดของมันเทียบเปรียบประมาณว่ม่เหมือนกับจิตใจถ้ามะม่วง มันแกมันสูกมันงอมมันเหลืองแล้วมันจะสูงเต็มที่เลยจะให้มันย้อนถอยกลับมาเป็นมะม่วงดิบกลับคืนมาเปิด่ยไปไม่ได้มีแต่มันจะสุกเรื่อยล่ําไปเลยมีแต่มันสูงนี่มีแต่มันจะหวานต่อไปไปถึงตรงนั้นเมันต้องมอกระได้เล่นกีฬามันใกล้จะเข้าโกแล้วอมันมันมันจะเป็นของมันเองธรรมชาติ มันปุงเลียงปักมันมัเิดเป็นปเปลงของกไป็ไปไปถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องสงสัยหรอก <c oughs> ลองกําหนดจิตลองดูมึง <c oughs> กำหนดจิตให้ตั้งมั่นลองดูแล้วก็หายหายหายใจ ย, วยาวๆลองดูเมืเวลาหาใจ ย, วยาวๆยาเอาจิตไปกําหนดดูลมให้กําหนดดูว่ากําหนดดูร่างกายว่ามันหายใจ ย, วยาว ให้เช็คเข้ายาวให้เจาะยาวให้ดูร่างกายให้ให้มันเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของขันให้กขาไมรู้ไม่จะรู้ นี่เวลาเรากําหนดตัวนี่คิดไม่คิดไปอะไรบ้างไม่คิดไปบ้านไหมไม่คิดไปเลี้ยงนู้นเลี้ยงนี่ไหมนี่เนี่ยให้ให้จับเงี้ยที่นี่เละทําคิดไปกั็เนี้ยให้ให้ให้ทำจิตใจให้ไม่รู้อย่างนี้แหละไม่ไมคิดไปก็ให้ไม่รู้แต่ว่ายาทรงไปตำยาทรงไปปรุงไปแต่งทั้งทางไปถ้าปรุงไปแต่งถ้าทําคิดไปถึงบ้าน ไปเห็นประตูเหรถ้ามันปรุงไปต่อไปหรือเปลว่าประตูเนี่ยเขาปิดให้ไหมอนี่แปลว่าปรุงต่อไปแล้วนี่นท่านท่านไม่ให้ปรุงต่อเพราะว่าเพราะมันคิดไปเพราะมันรู้ปั๊บให้หยุดอะไรเกิดขึ้นก็ให้กําหนดรูปกําหนดรูปไปรูปไ ป, ไปต่อไปมันจะกลายเป็นนิสัยที่นี่จิดใจมันตัวฟูรูมันจะมีพลังมันจะรู้ขึ้นมามันจะจับหลักนี้ได้ ที่นี่พวกที่จิตใจไมาส่สงบเข้าไปหยุดนิ่งกระปล่อยให้ไม่สงบเข้าไปซะก่อนเนี่ยเวลามันถอนขึ้นมาให้กำหนดดูเหมือนเดิมเดียวเวลาเวลาปฏิบัติท่านไม่ให้หนึ่งไม่ให้บงับงบงับงบังคั บ, บร่างกายต่อสู้กับเวทนาไม่ส่งไม่ไม่ไม่ไม่ให้บงับงคับร่างกายและก็ไม่ให้ใบังคับจิตใจให้จิตใจบังคับจิตใจให้บังคับจิตใจให้สงบ ปล่อยปล่อยธรรมชาติให้ไม่รู้ธรรมชาติฝึกปลอบดูมันจะมันจะสบายทํำในทำยังไม่จะเบาทำอะไมันจะสบายอยู่ยังไม่สบายทําทำจิตใจมันสบายที่อะไรไม่เกิดขึ้นก็ให้ไม่รู้มันตั้งอยู่ก็ให้ไม่รู้เนี่ยโดยธรรมชาติอะไรเกิดไม่ดับมาตลอดันล้วเพราะฉะนั้นธรรมมาของหลวงปู่หลวงปู่ม่นที่ท่านเขียนเป็น ครูบาอาจารย์ท่านเขียนเป็นคติธรรมไว้อยู่วัดสุธวัตท่านท่านเขียนเป็นในภาษาอีสานว่าไม่สงกไม่หกพันงากระปอมกล้าเล่นฝิ่ 00, ีมือละลอยกระปอมน้อยเล่นฝิ่ีมือละพัน 100, ไม่สงกหกพันงาเป็นใบเอียงเลยปวดน่องผงเชพดขากับม้าแวกก็ไปทำไม่ปูดีวัด เขาไม่เขาเขาไม่เข้าใจไม่สงบอยู่มันไมตน้ตนตน้ตนไม่ต้นต้นไม่ต้นไม่ไม่อย่งไม่สงบมกพังานก็เลยสี่เจ้าตัวพวกเขาไ ป, ไปทปี่ไปถามกพูนนี่เนีน่ยไม่ต้นนี้แหละต้นสงบนี่มกพันงานงานงานหนึ่งคือตา ง, อ ง, งานหนึ่งคือหูงานหนึ่งคือ เจ้าหมูกงานหนึ่งคือดินงานนึงคือกายงานนึงคือคิดใจหมกงานงานละพันละพันไม่เกิดสวนกันนิสโตดทั้งบ้านทั้งคืนเหมือนแม่กระทั่งนอนหลับอยู่มันก็ยักผงยักแต่งมันจะเกิดขึ้นกระพรอมพวกของพรอมของหลอกของร่วงมันเกิดสลับก็ต้อนกันอยู่เพื่อให้กวามรู้ดูพักกันข้าใจอแต่ไม่ชงหกนี่นะไม่ต้นนี่นะต้นร่างกายชงหมก